Search inside yourself นะมายืนมานั่งมานอนมาดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะโดยที่หยุดการทระท่าเต้นหะยุดคิดหยุดพูดหยุดการกระรทาเนื่องด้วยเจตนานะยืนก็ยืนนั่งก็นั่งนอนก็นอนนะเออไม่หยุดทั้งหมดง่ายที่สุดนะแต่เป็นโปรแกรมที่ยากที่สุดเพราะกิเลสไม่ชอบเป็นการฝืนกิเลสเรานะ โอเคนะเริ่มเลยนะก็อยู่ในท่ายืนแล้วก็หลับตาลงอยู่กับตัวเอง สามยืนนั่งนอนตลอดชีวิตเราบางทีก็ไม่เห็นว่าตัวเองกำลังยืนนั่งนอนอยู่ถูกความคิดถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำความดุองหงุดหงิดฟุ้งซ่านความกลัวความโกรธความพยาบาทความพอใจ ความไม่พอใจความอยากเร็วอยากช้าอยากสนบุบอยากรื่นเริงต่างๆครอบงำสติทําให้ปัดสินอะไรๆ ไ, ไปตามอารมณ์นั้นๆสมาธิความตั้งมั่นสติความตื่นรู้ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ต่างๆทําให้ปัญญาถูกบดบังด้วยความรู้ผิด ทุกอย่างดำเนินไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานความทุกข์จึงเกิดขึ้นตามมาอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครก็ต้องมาศึกษาวิจัยตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรมาจากไหนจุดเริ่มต้นที่มาของมันเป็นอย่างไรก็เข้ามาศึกษาเข้าไปในตัวเองเริ่มต้นจากอริยบทยืน โดยตั้งนั่นสงบนิ่งผ่อนคลายระวังเฝ้ามองในท่ายืนยก่อน15นาทีเมื่อมีเสียงะระฆังดังหนึ่งครั้งให้เปลี่ยนอริยบทเป็นท่านั่งท่านอนแต่ละอริยบทบ15นาทีโดยจะมีเสียงะระฆังเตือนเมื่อเสียงระฆังเตือนสามครั้ ง, ค, งคือหมดเวลาในขณะที่ยืนอยู่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 มือสองข้างเอาไว้ข้างตัวไม่ต้องไปโหมันไว้ไม่ต้องไปกอดนี่เราติดว่ายึดนะตอนนี้วางทั้งหมดเลยไม่มีการยึดอะไรทั้งนั้นยืนเพราะยืนยืนแบบธรรมชาติอย่าไปกังวลเรื่องความคิดนะเขาคิดอยู่แล้วนะมันเป็นกิเลสเราเนี่ยเขาก็ต้องคิดเขาคิดก็ให้เขาคิด ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปขยะขยงไม่ต้องไปหาวิธีจัดการเขา เ, เพียงแต่ว่าเราคือจิตตัวรู้เนี่ยอย่าไปคิดตามเขาเท่านั้นเองไม่ใช่หน้าที่เราเรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืนหยุดคิดหยุดพูดหยุดการกระทำอะไรทึ้งเนื่องด้วยเจตนาการยืนนี่เป็นอริยบทยืนเป็นกิริยา ไม่เนื่องด้วยเจตนาไม่ใช่การสร้างกรรมเนี่ยเราหยุดสร้างกรรมทั้งปวงนี่คือการละชั่วเห็นไมเราหยุดสร้างกรรมทั้งปวงเนี่ยนี่คือการละชั่วออแล้วมันทำดีอะไรนะออทำดีก็คือว่าเราได้พักผ่อนพักลบนะออผ่อนคลายร่างกายเราใช้มันตลอดชีวิตนะแล้วก็หยุดทุกอย่างนะ แล้วก็หยุดเฉยเมื่อสงบนิ่งดีแล้วเราก็เห็นอารมณ์ต่างๆเห็นความคิดเห็นความกังวลห่วงใยสงสัยลังเลเรืออะไรเนเนี่ยเกิดปัญญาแล้วนะนะเราเกิดปัญญานะได้หมดนะยืนเฉยเฉยเนี่ยเกิดปัญญาแต่ชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ย เราเข้าใจว่าปัญญาต้องเกิดจากการแสวงหานะอ่านเยอะๆเรียนเยอะๆท่องจำเยอะๆอันนั้นไม่ใช่ปัญญานะอันนั้นเป็นองค์ความรู้เป็น knowledge ไม่ใช่ว i สเทมปัญญาเรามีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมข้างในแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงถึงขั้นตรงนั้นนะตอนนี้เรามายืนอยู่เฉยๆเราจะเห็นอารมณ์เรา การที่เห็นอารมณ์เราเนี่ยเรียกว่าพิปัสณานะออดูแจ้งเห็นจริงว่าเราเนี่ยมีอารมณ์อะไรซ่อนอยู่ในตัวเรา<ม>เป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่นะสิ่งที่ง่ายที่สุดกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะเพราะกิเลสเขาไม่ยอมเขากลัวมาก ว่าเรามายืนเฉยๆนั่งเฉยๆนอนเฉยๆ เ, เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นกิเลสกิเลสเขาจะหลอกเราไม่ได้เขาไม่ต้องการนะเราเผลอปุ๊บเขาจะคิดสร้างอารมณ์ต่างๆมาครอบงำสติเราบางทีอารมณ์ง่วงเหงาหานอนเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้ผลมากนะเผลอปุ๊บคิด คิดว่ า, าวุ่นฟุง้งซ่านต่า ง, างๆไงวะเขาไม่ยอมให้เราสงบไม่ต้องไปรังเกียจเขานะเราไม่ได้ยืนเพื่อให้มันสงบไม่มีเป้าประสงค์ไม่ได้ยืนเพื่ออะไรทั้งนั้นเรามีหน้าที่ยืนเราก็ยืนเฉยๆไม่ถ้าเราบอกยืนให้มันสงบปุ๊บเนี่ยความไม่สงบเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีอารมณ์ต้านเราจะไม่พอใจนะอารมณ์ไม่สงบเกิดขึ้นมีประโยชน์นะ เออก็เหมือนเป็นเป็นเป้าให้เราเห็นไงเรารู้เท่าทันมันมันไม่สงบกับเรื่องของมันเราไม่ต้องไม่สงบตามมันเรารู้เฉย ไม่ต้องยืนเวี่ยงนะไม่ต้องยืนเวี่ยงะไม่ใช่ช่วงเวี่ยงเห็นไมจิตมันจะหนีเขาไปอยู่ในจิตเ น, ะนเราก็พลาดโอกาสในการเห็นอารมณ์เราถ้าในทางโลกนี่เรียกว่าเราต้องมีสติรู้เท่าคันเหตุปัจจัยเวลานั้นต้องรู้กาละและเทศนะนะในทางโลกเราต้องมีวินยัยต้องรู้กาละเทสะ เวลานี้สิ่งแวดล้อมเราเป็นยังไงเราก็อย่าไปทำลายสมบูรติบัญญัติของเขาทุกอย่างต้องฝืนกิเลสเราต้องฝืนนะต้องต้องใช้สติที่เรามีอยู่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่ต้องทำลายสมบูติ์บัญญัติ เรามาทำสิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยเคยทำหรอกมายืนอยู่เฉยๆทำไมเสียเวลานะงานก็ยังไม่เสร็จรวยก็ยังไม่รวยเลยมายืนอยู่เฉยๆนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะกิเลสเขาไม่ชอบอยู่แล้วนั่นแหละมันแสดงตัวเมื่อไหร่นะวิปัสสนาก็เกิดไงเราเห็นมันปุ๊บนี่ยแสดงว่าเราเห็นกิเลสหลอกให้มันโผล่ขึ้นมา ถ้าเราเป็นคุณหมอนะเราต้องวินิจฉัยโรคว่าเรามีไวรัสอะไรซ่อนอยู่ในตัวเราเราต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันนะในขณะ น, นี้แก้โดยไม่ต้องแก้นะเป็นช่วงที่เรายืนอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวมันมันจะแสดงตัวนั่นแหละะเอาแค่เรารู้เราเห็นเฉยๆพอไม่ตัดสิน ไม่พิจารณาไม่ตัดสินชอบไม่ชอบถูกผิดดีชั่วอะไรไม่มีรู้เฉย ต้องตั้งมั่นสำรวมระวังอย่างยิ่งนะกิเลสเราเขาก็ใช้ว่ากิเลสเราเนี่ก็ไม่ผิดนะเพราะ เ, าเราสร้างมันขึ้นมาอยู่ในตัวเรานี่แหละเขาก็ทำหน้าที่เขาจ้องอยู่นะเผลอปุ๊บเนี่ยเขาเอารมครอบงำเราทันที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 กิเลสมันไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบคิดชอบปรุงแต่งชอบตัดสิน ก็รู้รู้จบอยู่แค่นั้น ไม่ต้องเพ่งดูนะไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืนคาว่ายืนเฉยๆนี่ก็คืออย่างเดียวถ้ายืนด้วยคิดด้วยพิจารณาด้วยนะนึกด้วยอันนั้นมันไม่เฉยนะอันนั้นมันกำลังทำงานอยู่ เป็นการสร้างมโนกรรมตอนนี้เป็นการให้ทานตัวเองนะให้โอกาสตัวเองได้หยุดสร้างกรรมทั้งปวงได้พักผ่อน แค่ยืนเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยทุกๆอริยบทท่าเฉยเฉยได้นะบารมีทั้งสิบเนี่ยเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะเนี่ยเราให้โอกาสให้ทานตัวเองละถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยให้ตัวเองไม่ได้เราจะให้คนอื่นไม่ได้นะนะแล้วถ้าคนคนหนึ่งนี่ชนะอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ชนะใครก็ไม่ได้ชนะอย่างอะไรก็ไม่ได้นะ กิเลสเขาลบกวนเรามากเลยเราก็ให้อาภัยเขานะเยให้อาภัยกิเลสไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งก็ได้ทําทานแล้วก็มันยั่วยุวเรามากเราก็นิ่งเฉยไม่มีกังวลเลยไหนะอุเบกขาบรารมีก็เกิดขึ้นเห็นไหมมันเมื่อยเออให้มันเมื่อยไปสิเออถ้าเราอย่าไปเมื่อยกับมันเนี่ยนะเออเราก็มีความอดทนขันติบรารมีก็เกิดขึ้นเห็นไหม เรายืนเฉยเฉยเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ไปสร้างาทำตามกิเลสใหม่ไม่ไปเที่ยวสถานที่เอโคจรถ้าเรายืนอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่เฉยเเดินอยู่เฉยได้เนี่ยเขาเรียกว่าเนคขมมะบารมีมันก็เกิดขึ้นนะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยบารมีทั้ง10บอยู่ในนี้หมดนะยืนเฉยเเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความคิดตัวเองเนี่ยปัญญาบารมีก็เกิดขึ้น ปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากนะรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่าทันอารมณ์เราเบื่อมากเลยมาดูยืนไปทำไมเสียเวลาเปล่าๆนะแต่ถ้าเราข้ามพลความเบื่อได้เนี่ยเราตั้งสัจจะให้ตัวเองว่าฉันจะยืนทำครบคอสครบชั่วโมงเห็นไหมถ้าเราผ่านได้ก็สัจจะบา ร, รมี ก, ก็แสดงตัวอยู่ในนี้หมดเลยนะไม่ต้องมีการกระทําใดๆทั้งนั้นเรากำลังทําในสิ่งที่ทําได้ยาก โดยมาทำสิ่งที่ง่ายๆละ่ะที่มันยากที่สุดนะชีวิตจริงเราไม่มีโอกาสทำแบบนี้หรอกเพราะเวลา24ชั่วโมงเรายังไม่พอเลยที่จะแก้ปัญหาตัวเองนี่แหละแค่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ย การศึกษาเรียนรู้เราเนี่ยชีวิตจริงที่ผ่านมาเราชอบเซนะิร์ชเซิร์ชเอาไซน์ะเซิร์ชไปข้างนอกเซิร์ช for information for data for anything เราไม่เคยเซิร์ชอินไซ e ์อยู่แล้นะต้องไม่เคยเห็นตัวเองเลยตอนนี้เรากำลังเซิร์ชเข้ามาหาตัวเอง ชีวิตเราตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นแปลงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นสามีภรรยาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นการเห็นงานเห็นเงินเห็นทองเห็นแต่ข้างนอกพอกลางคืนหลับตาลงเนี่ยหลับสนิทเลยเหมือนคนตาบอดก็ไม่เห็นตัวเองอีกในขณะนี้ในเวลานี้จึงถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตหนึ่ง ที่เรามีโอกาสมายืนดูตัวเองถึงจะหลับตาก็เห็นตัวเองเห็นความคิดตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองนะ แค่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าจิตเราสงบนิ่งเป็นปกติได้ศีลบารมีก็แสดงตัวศีลคือความปกติของจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญา เ, เมื่อเรานิ่งเต็มที่เนี่ยอารมณ์ละเอียดเม็ดเด็ดหนึ่งเท่ากับฝุ่นละอองมันเกิดขึ้นเราก็เห็นมันชัดนั่นนะวิปัสนาเกิดขึ้นปัญญาบารมีก็ตามมา อันนี้คือศีลจริงๆส่วนศีลข้างนอกจึงเป็นตัวหนังสือเนี่ยเป็นแค่วิในเป็นตัวกากับเป็นตัวเตือนสติเท่านั้นเอง Oh, my God. นั่งลงสมาธิตั้งมัน่นสงบนิง่งเป็นหนึ่งเดียวกับการนั่ง สติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองมองกว้างๆมองแบบธรรมชาติไม่ต้องจ้องมองไม่ต้องเพ่งดูไม่ต้องกำหนดรู้คว า, ามคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นสักแตว่วะรู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆ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 ถ้าเราสู้ความฟุ้งซ่านไม่ได้นะมันคิดไม่เลิกไม่แล้ว <c oughs> นะจริงๆแล้วไม่ต้องสู้กับมันนั่นั่งเฉยๆแต่บังเอิญว่าเราทำไม่ได้เพราะกิเลสความเคยชินเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเนี่ยนะถ้ามีอาการแบบนี้เราก็ต้องหาที่เกาะก่อนเหมือนเด็กๆเนี่ยต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนนะเราพึ่งตนเองไม่ได้นะนะก็มาเกาะที่ลมหายใจนะ ตามลมหายใจเข้าไปลึกๆไปถึงหน้าท้องนะก็เห็นมันพองนะแล้วกดลมหายใจไว้ก่อนเมื่อมันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ ช, ช้าที่สุดเหมือนเหมือนไม่มีการกระทำอะไรเนี่ยแต่ทำอยู่ลึกๆเราทาอยู่เราเกาะ อ, อยู่นะหาที่เกาะก่อน เมื่อลมฟุ้งซ่านมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงไปเรื่อยๆนะเราสงบนิ่งดีแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องเกาะอะไรเลยมาอยู่ที่ตั้งมัน่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการนั่งเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยอย่าไปห่วงนะสติเนี่ยเขาเป็นกำลังของสมาธิเขาก็ตื่นรู้ระวังเฝ้ามอง เหมือนเราขับรถจนเนี่ยนะถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นกับการขับนะสติเขาก็ตื่นรู้เองเขาก็มาทำหน้าที่ไม่ต้องไปนั่งจ้องมองเพ่งดูมีการกระทำอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องมีนะ มันจะไปขัดแย้งกับกิเลสความเคยชินเรานะทางโลกนี่อยากทําบุญต้องวิ่งไปทําบุญมีการกระทําเกิดขึ้นนะอยากได้ความรู้ก็ต้องมีการเรียนรู้ท่องจําอะไรแบบนี้ไปฟังไปอ่านนะอันนี้มันกลับกันนะมันอปเปอร์สิตนะคือทวนกระแสเราเคยชินเลยคือมานั่งเฉยๆแล้วบอกเกิดปัญญานะอันนี้กิเลสย่อมไม่ชอบอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราทําได้เนี่ย เราก็มีกำลังมากขึ้นคือเราฝืนกิเลสได้จิตเราก็มีอินทรีสีพละมากขึ้นความถูกต้องคือความง่ายนะเนี่ยเรานั่งเฉยๆมีอะไรง่ายขนาดนี้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องแสวงหาอะไรบอกบารมีทั้งสิบมันเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะ เออก่เลสบอกมันไม่เชื่อชีวิตเรานี่ชอบมักง่ายไม่ง่ายนะมักง่ายคนมักง่ายคือคนตามใจตัวเองมันอยากด่าบอกด่าเลยเพราะเรากลัวว่ามันมันไม่พอใจนะถ้าไม่ดา่าตามมันเราก็ด่าไปเลยใช่ไเรามักง่ายเรากลัวกลัวใจมันเสียใจเราก็ด่าไปด่าไปก็สร้างวัจจิกำรรเขาก็เกลียดเราแต่ถ้าเราฝืนมันได้มันบอกด่าเลยเรื่องอะไรฉันจะดา่า ด่ามันไม่ดีเราฝืนมันได้ปุ๊บง่ายมากง่ายจนไม่ต้องอาปากเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมง่ายคือถูกต้องแต่ชีวิตเราถูกสอนให้ยิ่งยากก็ยิ่งขังยิ่งยากก็ยิ่งดีเห็นไหมทำตามกิเลสตลอดในขณะ น, นี้ในเวลานี้เรามาทําสิ่งที่กิเลสไม่ชอบแล้วเราจะเห็นกิเลส แค่เห็นเฉยๆพอแล้วนะแค่รู้ก็เฉยก็พอละไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินเงียบก็สงบ เสียงดังก็สงบอยู่เฉยเฉยก็สงบเคลื่อนไหวก็สงบนะไม่ใช่สงบเฉพาะอยู่เฉยเฉยพอชีวิตเราเคลื่อนไหวปุ๊บนี่ก็วีนอีกเพราะไม่ได้ฝึกมานะคําว่าฝึกจิตฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตให้รับได้ทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุปัจจัยต้องรู้เท่าทานมัน นั่นแหละปลอดภัยเออเราอยู่ทันธรรมชาติเรารักธรรมชาติเราก็ไม่ทำลายธรรมชาติเราก็ไม่สร้างกรรมใหม่นะเออก็อยู่กับธรรมะแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่ทำให้เราเกิดปัญญานะเกิดปัญญาต้องมีการเจริญวิปัสสนานะมันจะทำให้เกิดปัญญาอย่างถ้าอยู่ธรรมชาติซาไกลก็อยู่ดังธรรมชาตินะ ไอ้สมถะเรียบง่ายสาไกลเรียบง่ายที่สุดเสื้อผ้าก็ไม่ต้องใส่ด้วยเขากินง่ายอยู่ง่ายอันนั้นก็เป็นระดับเดลฉานวิชาก็คือว่าธรรมชาติอีกระดับหนึ่งเนาะมนุษย์เราพูดเป็นสปอเสิร์ดเนี่ยเรามีความคิดที่จ ะ, จะเจริญมรรคจิตได้จเจริญวิปัสนาได้เนี่ยคาว่าธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราพูดถึงธรรมชาติระดับไหนนะทาสานก็ธรรมชาติทาสานไม่ทุกข์มากนะ ธาสานก็ใช้หนี่กรรมไปชาติหนึ่งแต่เขาทาสานไม่มีอวิชชาคือไม่มีความรู้ผิดแต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้พบวิชาวิชาซึ่งทำให้เขาพ้นทุกข์ได้เขาก็ใช้อยู่กับธรรมชาตินี่นแต่เขาก็ต้องเวียนไหว้ไายเกิดอีกหลายชาตินะอันนั้นคือระดับธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมแต่ระดับธรรมชาติของอริยะอันนี้ต้องมีการ การทำโดยให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นนะอันนี้มันมีหลายระดับนะธรรมชาติระหว่างอรหันต์นี่ก็คือธรรมชาติระดับอริยะสูงสุดนะคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีหลายระดับนะเปตอสูตรกายก็อยู่ในระบบธรรมชาติเหมือนกันนะอันนี้คำถามก็ว่าสัมพันธ์หรือไม่ก็ตอบว่าใช่เป็นแต่ว่าชีวิตเราต้องการแค่ไหนนะ อยู่ธรรมชาติแค่ไหนแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยอยู่ธรรมชาติเราไปอยู่กับสิ่งปรุงแต่งมากมายนะอันนี้เราติดลบละเราติดลบละตอนเราเป็นเด็กเราชอบวิ่งสนอยู่ไม่สุขไม่อยู่เฉยไปไหนกับพ่อแม่เขาจะบอกว่าอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มอยู่บ่อยๆจนหน้าลำคาญด้วยความเป็นห่วงของพ่อแม่ กลัวเราหกล้มเจ็บตัวแต่ความเป็นเด็กสนของเราในตอนนั้นเราไม่ได้รับรู้ถึงความเป็นห่วงแล้วครั้งหนึ่งเราก็วิ่งหกลม้มหัวเข่าแตกเลือดออกแล้วเราก็โดนตีซ้ำพร้อมกับคำพูดว่าเป็นไงละ่ะเตือนแล้วไม่ฟังคำถามคือตอนนี้พ่อแม่เราแก่แล้วแล้วด้วยความห่วงใยของเราที่อยากให้ท่าน เลือกกินของที่มีประโยชน์เพราะอยากให้ท่านสุขภาพดีแต่ท่านก็ไม่ฟังกินตามใจท่านท่านกินของหวานมากเราก็กลัวท่านจะเบาหวานว่าเน่าเบาหวานขึ้นจนบางครั้งดูและอยากตีเหมือนเราตีลูกจนเรามีการประท่ากับท่านบ่อยๆและบอกว่าถ้าเป็นอะไร จะไม่ดูนะพอเตือนแล้วไม่ฟังเราจะบาปไหมคะกรรมชี <ś c oughs> <laughs> um ้เจตนานะเราไมีเจตนาจะทาร้ายท่านอะไรเนระืเราเป็นห่วงแต่ว่าสรุปว่ารักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์นะตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็รักเราท่านก็ทุกข์ไปห่วงเรา นะรักจนขนาดเอล้มลงไปหัวเข่าแตกท่านเจ็บกว่าเรานะท่านก็ตีเรานั่นแหละก็เพื่อให้เราเตือนน่ะ น, นะนะตีเพราะความรักเนาะอันนี้พอแก่ตัวลงท่านก็ต้องรับกรรมตรงนั้นนะเราก็จะตีท่านเนาะเอาเป็นว่าถ้าเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาร้ายก็เป็นกรรมร้ายนะคือคําว่ากตัญญูต้องรู้คุณรู้โทษกตัญญูไม่ได้แปลว่าสนองตัญหา อย่างคุณแม่เป็นเบาหวานเนี่ยแต่ท่านชอบกินของหวานเออมึงไม่ต้องมาห่วงกูมึงซื้อให้กูกินอ่ะกูไห น, นยก็ตายแล้วชาลีโลต้องตายให้กูมีความสุขหน่อยเราก็สนองตัญหาแม่ก็ซื้อของหวานให้ท่านกินแล้วก็แม่ก็กอดลู ก, ล, กลูกก็ก่อดแม่อันนั้นกระตันอยู่แบบไม่รู้คุณไม่รู้โทษสนองตัญหานะ แต่ท่านอยากจะกินเองเราห้ามท่านแล้วก็ไม่ฟังก็พบกันครึ่งทางเนาะก็คือก็ใช้อุบายแบบใหม่ไม่ต้องถึงขนาดลงมือจะตีแม่เหมือนลูกนะอันนั้นอันนั้นบาปนะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าคิดอะไรมากพอพูดถึงเรื่องนี้พวกกูก็มีอย่างหนึ่งก็อันนี้ก็ต้องเอ่ยเนาะเอ่ ย, อยถึงคำดำดิของพระพุทธองค์นั่นแหละอยู่ในสูตรอะไรก็ไม่รู้พวากูไม่จำชื่อนะ ก็ท่านเคยพูดว่าศีลเนี่ยศีล น, นี่เปรียบเสมือนใบไม้กับกิ่งไม้นะใบไม้กิ่งไม้ของต้นไม้ก็มีประโยชน์นะมันสองเคราะห์แสงอะไรพวกนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่สิอันคือดอกลาบสกาละนะลาบสกาละได้เปรียบเสมือนใบไม้กับกิ่งไม้นะก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ศีล น, นี่เปรียบเสมือนสเก็ดไม้ นะที่ว่าผิดศีลหรือเปล่าเนี่ยเปรียบเสมือนสะเก็ดไม้สมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้นะเปลือกไม้ตัวยานทัศนะหรือตัวปัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนกับผีไม้ที่อยู่ในเปลือกอีกชั้นหนึ่งนะแต่วิมุตต์เนี่ยคือความหลุดพ้นนี่เปรียบเสมือนแก่นไม้เห็นไหมศีลนี่เปรียบเสมือนสะเก็ดไม้นิดเดียวเองหรอกนะ มันไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแต่ว่าไม่ใช่ไม่สาคัญนะมันก็มีประโยชน์อยู่มันเป็นสเก็ดไม้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้สิ่งที่ไม่มีที่พระองค์พูดนี่คืออะไรคือสติสติไม่เป็นส่วนนิดหนึ่งของต้นไม้เลยเห็นหแต่ตอนนี้เราจเจริญสติจเจริญสติจเจริญสตินะอันนี้คือพระองค์ตรัสสตินี่เป็นกำลังของสมาธิเท่านั้นเองนะเป็นเครื่องมือเดินทาง เป็นเครื่องมือเดินทางอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่ตอนนี้เราพยายามจะฝึกจิตโ ด, ดยการเจริญสติสติสติไม่เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้นี้นะอันนี้ชี้ให้เห็นเราก็ไม่ต้องกังวลมากส่วนศีลนั่นศนะีลจริงๆเราต้องอยู่ข้างในส่วนศีลข้างนอกเนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลสิ 5, ส 8, สปฏิโมกเนี่ยมันเป็นศีลวินในเป็นตัวเตือนสติเป็นตัวการอยู่ร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้เราขัดแย้งกัน นะแต่เมื่อเราเข้าไปสินข้างในไม่ได้ก็ต้องพึ่งศินตรงนี้ก่อนเหมือนเรามีกฎหมายบ้านเมืองเราทําผิดปุ๊บ ก, ก็ถูกลงโทษนะแต่เป้าหมายคือว่าเราต้องเข้าไปในศินเดิมเราให้ได้แล้วตอนนั้นไม่ต้องระวังอะไรเลยนะมันเป็นศินแล้วมันไม่ทําชั่วแน่นอนไม่ว่าต่อหน้ารับหลังศินคือความปกติของจิตนะถ้าเอาศินข้างนอกเนี่ย อ, อ, องค์คุริมาณผิดสินไหม ผิดไหมครับฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าคนด้วย99้าร้้าสิาใช่ไหมแล้วทำไมันรลุธรรมได้เห็นไหมศินนี้เราทําผิดศินก็เจอบาดแผลหน่อยๆ อ, อะไร น, นั่นแหละจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่ผิดศินบ่อยๆตกนรกได้เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าศินนั้นแรงแค่ไหนที่เราผิดสินแรงแค่ไหนนะองค์คุลิมานแรงที่สุดแล้วฆ่าคน999แต่ที่นี้มันมีที่มาของมัน ไม่ใช่ว่าเราจะโอ้องคุริมาณฆ่าได้ฉันก็ฆ่าได้แตอย่าเรียนแบบนะมันไม่เหมือนกันนะคือคือไอ้เ95าบคนที่องคุริมานฆ่าเนี่ยในอดีตชาตินั่นตอนองคุริมารเนี่ยเป็นวัวตายายคุณหนึ่งเลี้ยงวัวตัวนั้นนะแล้วตาล้มวัวตัวนั้นอ่ะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลย999คนบวกกับคุณตาด้วยมีคุณยายนีย่ไม่ยอมกินนะคุณยายก็เกิดมาเป็น มารดาขององค์ุลิมานนะเป็นมารดาองค์ุลิมานนะองค์ุลิมานฆ่าไปฆ่ามาเข้าใจว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์บอกให้ไปฆ่าแสดงว่ามีนัยยะอะไร เ, เหมือนเราส่งเขาขึ้นสวรรค์เร็วๆไม่ต้องมารับกรรมต่อเห็นไหมทีนี้จะไปโปรดแม่ตัวเองแล้วเห็นไมเก้าร้ยเก้าเก้าแล้วเหลือคนสุดท้ายให้มันหลือครบพันนี่จะไปโปรดแม่จะไปฆ่าแม่ถ้าไปฆ่าแม่เมือ่อไหร่นี่เสร็จเลย ไม่มีวันพ้นทุกข์นะระหว่างทางพระพุธทธองค์ ก, ก็เห็นวาลาจิตองค์คุลิมาณเนี่ยนะก็ไปเดินขวางไว้นะพระองค์เดินไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เร็วนะเดินช้าๆแต่องค์คุลิมาณวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันนะองค์ุลิมาณบอกหยุดหยุดุดหพระองค์บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองค์คุลิมาณหยุดได้ยังไงท่านยังเดินอยู่พระองค์บอกว่าเราหยุดทําความชั่วแล้วแต่ท่านยังทําอยู่ คำนี้คำเดียวองค์คุริมาณบรรลุธรรมคือคือส่วนบา ร, รมีเขากรสร้างมาเยอะเห็นไหมทีนี้ไอ้เก้ที่เขาฆ่าเนี่ยเขเคยกินเนื้อเขามันเป็นมันเป็นจ่ายหนี้กรรมกันนะนะมีแต่ว่าเราอย่าไปเรียนแบบมันมันไม่มีว่าสําเร็จว่าต้องทําแบบองค์คุริมาณต้องทําแบบพระอนนท์ต้องทบบอําแบบใครนะ มันเป็นนานาจิตตังมันไม่มีแบบสำเร็จรูปเหมือนวิชาการทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็ปี้เหมือนกันหมดธรรมชาติมันไม่เหมือนกันโดยจิตวิญญาณยิ่งไม่เหมือนกันนะก็เรื่องศีลเนี่ยเราพยายามประคองตัวให้ดีที่สุดนะเคยมีหลวงตารูปหนึ่งวัยท่านเก้าสิกว่าละบวชตั้งแต่เป็นเนะนะ เคยเดินทุูดงไปทางลาวแล้วแวะไปที่ศูนย์พลารานคอยไปพังค้างแหลมพ่อกูก็สนทนากับท่านว่าหลวงตาหลวงตาเหาะมาหรือเปล่านะีท่านบอกก็ไม่นั่งรถมาถึงปากทางาแล้วก็เดินเดินเดินเดินมาที่ศูนย์เนี่ยหลวงตาเนี่ยอย่าแกล้งไม่รู้นะหลวงตาเนี่ยรถหลวงตาเนี่ยเหยียบมดตายจังหลายตัวหลวงตาเดินเข้ามาด้วยนี่ก็เหยียบมแมลงแมลงตายกี่ตัวนะเห็นไหมแต่หลวงตาไม่ได้ทําอะไรเลย มันอยู่ที่เจตนาของเราแต่ถ้าเรามดมาตัวหนึ่งนะบันทึกเต็มเตมเลยกรรมชี้เจตนาแล้วพอมันบันทึกปุ๊บเนี่ยเผาปุ๊บเนี่ยก็ไม่จบนะมันข้ามปุ๊บข้ามชาติอันไหนที่เป็นกรรมไม่กรรมอยู่ที่เจตนาของเรานะเนี่ยไ ด, ได้หรื อ, อยังโอเคนะก็มีสองเรื่องนะเขาเรียกเรื่องหนึ่งนี่เพราะกูไปเห็น k i คิงสปีด s p ปี d นี่เป็นเป็นภาพยนตร์เอาเอาประวัติของประเทศอังกฤษเนี่ยนะแต่ยาวมากเพราะกูย่อให้สั้นๆเพื่อให้เห็นอะไรเดี๋ยวพักกูต้องอธิบายด้วยว่าตั้งแต่เป็นร้อยปีที่ที่แล้วเนี่ยเขาก็จับคนหมุนหรือว่าทําแบบที่เราทํานะอันนี้เร็วๆนี้เพิ่งไปเปิดเห็นก็แปลกมากแล้วก็อันที่สองก็คือ คุณหมอยาคือทันตแพทย์หญิงเนี่ยที่ปฏิบัติกับพ่อครูนะชีวิตนี้ไม่เคยเล่นโยคะเลยแต่พอเข้าบันิจิตปุ๊บนี่โยคะแกเนี่ยอาจารย์โยคะยุคนี้ก็ทำไม่ได้อาจารย์อ้อยเนี่ยไปเรียนโยคะกับลือศีที่อินเดียดังที่สุดในโลกนะมาเห็นแล้วว่าทำได้อย่างไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าตัวปัญญามันออกมาจากข้างในโอเคนะเดี๋ยวชมไปก่อนมีคาถามนะ What can you do to help part of your body that have already dead, die, already die inside? What you mean? h huh? Oh, okay, okay. Get into see your your teacher inside your original mind. And the mind gonna help you. The mind can do everything in your body. Uh, yes, every sickness there is because uh, uh, we call karma. The aftermath. You, know, you do what uh, you are. What you have done, you know. You you're just spinning. Get inside. You are original mind, and then inside out, the mind can balance the body. Yeah. Just do it. Yeah. Very Nike. What Very Nike. Nike? Yeah. If you don't do anything, it's uh, special, you know. It's not change. So just do it. Okay. Just try, yeah. very easy way. Right. You just accept that uh, what we have done before, and pay back, pay inside the mind. Right? This is the way to get into the mind, very easy way. Okay. ก็จริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ได้พูดมา27ปีแล้ว มันออกมายัางไงก็ออกไปมั่วไปเรื่อยๆก็โอเคนา ะ, ะไม่เป็นไรเนี่ยไม่มีปฏิบัติธรรมที่ไหนลื่นเลงแบบนี้เนาะแล้วปฏิบัติธรรมคือตามๆตามมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนมีความรู้สึกปิติก็หัวเราะนะไม่ต้องไปกดขม่มไม่ต้องไปแสดงบุคลิกอะไรพวกนี้นะไม่ต้องไปแสดงละครนะก็ พ่อครูอยู่ที่นวน27ปีนีเห็นหลากหลายมากนะแต่ละคนเนี่ยมีสเปเชียลของตัวเองเราฝึกวิชามาเยอะมากแต่ทุกดวงจิตแต่มีวิชาหลักของตัวเองแล้วก็จะเอาวิชาหลักตัวนั้นมาต่อยอดให้จิตปัจจุบันอย่างถ้าเราไปออกต่างประเทศเราไปวัดเซาหลินเขามีเป็นร้อยร้อยเทคนิคเน่เคลื่อนไหวเกือบทั้งหมด นะไม่ใช่มานั่งฝึกสมาธิอะไรเงียบๆไอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นอริยบทหนึ่งที่เรานั่งสมาธินะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเคลื่อนไหวหมดเพื่อรักษาร่างกายด้วยเนื่องจากวัดเส้าลินเนี่ยอยู่ในป่านะโรคภัยไข้เจ็บก็มีแล้วก็โจนผู้ร้ายก็มีพระคุณเจ้าท่่ น, นก็เลยฝึกวิทยายุทธเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วป้องกันไปด้วยไม่ใช่ฝึกเพื่อจะไปฆ่าใคร นะเขาก็เลยฝึกจิตแบบเคลื่อนไหวแล้วก็สร้างกําลังให้ร่างกายจิตใจขึ้นมาเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะทีนี้บางทีเราอยู่ในสังคมเล็กๆเนี่เกิดมาเขาก็บอกปฏิปธรรมเป็นแบบนี้แบบนี้วาดภาพให้เราดูนะและบ้บต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราไปต่างประเทศเขาจะถามคืนว่าทำํำไมคุณไปนั่งหลับตาทําไมคุณจะไปทําอย่างนี้ทําไมคุณทําฟวัดในเขาเรื่องเขาแปลกนะ แต่ของเราไปเห็นแบบนี้แล้วก็บอกแปลกไงมันเป็นกิเลสความเคยชินเราจริงๆแล้วมันมีหลากหลายมากนะ เ, เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยดีที่สุดก็คือเข้าไปในจิตเราแล้วให้เขาแสดงด้วยตัวเขาเองไม่ต้องไปเรียนกับใครนะเพราะครูไม่ได้เคยสอนนะให้หมอยาเล่นโยคะให้แก้วพี่แก้วจะทำแบบนี้ไม่เนะพราะครูก็ทำไม่เป็นไงเพราะครูก็มีวิชาของรครู นะถึงบอกว่าอย่าใช้สมองโง่ๆของเราเนี่ยไปสอนจิตเด็ดขาดต้องเด็ดขาดทัวนี้เราไปสอนก็เป็นแค่วิชาการเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งมันก็มีข้อจำกัดแค่แค่แค่นั้นนะ ก, ก็ก็เอ่ยชื่อไม่เป็นไรพระอาจารย์นิวัฒน์ม่อนฤศีเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสที่นู่นท่านก็ฝึกยุบหนอพองหนอมาสิบกว่าปีไง แล้วท่านก็ไปกราบนััสการถามหลวงพ่อทองว่าต่อไปท่านบอกว่าให้หมดแล้วต่อไปหาเองวิชาการต่างๆมันมีข้อจำกัดของมันนะทีละสเต็ปที่ะสต็อาเราจบปัญญาเอกแล้วยังไงเราก็ต้องไปหาเองไงทีนี้ท่านก็ไปฝึกกายคตาสติก็อีกสิบกว่าปีนะก็ได้วิชากายสติแต่ข้าท่านไปต่อไม่ได้ไง ท่านได้ยินข่าวพระครูท่านก็เดินทางไปกูเป็นพระผู้ใหญ่ที่กราบไหว้เลยนะในตัวท่านน่ยมีหมดความมุ่งมั่นไปอยู่กับพระครูสักพักหนึ่งไม่มีวินาทีไหนขาดนะวันนั้นพระครูตีไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้กบไม้นะกนะ็ก็ ก, ก็จิตท่านท่านจําได้จําได้จําได้จําได้ท่านวิ่งมาหาพระครูเลยนะ เวียงบักแรงเลยคือจิตเดิมเขาฝึกมาแล้วมันจำได้วิชาเก่าฟื้นขึ้นมาเห็นไหมท่านเห็นแสงสว่างนะพอออกมาท่านบอกอยากก่าพ่อครัว อ, อาจารย์อย่าทำนะอย่าทำลายสมมตุติเราห้ามทำลายสมมตุตินะข้างในจิตมันรู้ก็รูนะ้เรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนเสมอเท่ากันหมดเลยเป็นแบบเดียวกันนั้นเป็นลทัทธินิกายเป็นสอนวิชา จิตวิญญาเนี่ยวิชานั้นเป็นแค่ระดับสมถะกรรมฐานคล้ายๆว่าเออใช้เทคนิคนี้ใช้เทคนิคนี้นนมันก็มีข้อจํากัดของมันแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตแล้วจิตเดิมเรารู้เองว่าจะทําอะไรเขาจะเอาวิชาไหนก่อนมามารักษาร่างกายเราแล้วสุดท้ายเราจะมีวิชาหลักของเราเนี่ยมาต่อ ย, ยอดไม่ใช่มานั่งนับหนึ่งไม่ได้ชาตินี้เรียนเรียนเดียนเนี่ยพราะคูบอกแล้วว่าตายก่อนชีวิตเราแสนสั้น กแสกรรมก็ไล่บี้เราอยู่เราต้องกลับไปเอาของเก่าบารมีเดิมเราเนี่ยมาต่อยอดไม่ต้องฝึกกับใครฝึกกับอาจารย์เราอยู่ข้างในทุกคนมีที่เชอร์ของตัวเองมีมาสเตอร์ของตัวเองนะนั่นแหละเข้าไปแล้วก็มันจะอินไซเอามันจะอินไซเอาข้างในออกมาจากข้างนอกนะเรื่องนี้ก็ฟังหูไว้หู เห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันคืออะไรนะก็ต้องทาตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์นะทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนะห้องแลบไม่ใช่ห้องแลบมนุษย์สร้างขึ้นอันนั้นเป็นแค่วิชาวิทยาศาสตร์ห้องแลบจิตวิญญาณเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะถ้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปในห้องแลบเรา ครูบาอาจารย์เราเนี่ยนั่งรออยู่ตรงนั้นแล้วนะคนจีนเขาพูดคํานึ่งว่าโ佛ใจหลิงซานพระอยู่ในภูเขาจิตนะเรามีพุทธจิตทุกแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าใครจะเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ใช่ไปสแสวงหาอยู่อินเดียภูเขาหิมาลัยนะนั้นไม่ใช่นะทุกคนต้องถอยเข้าไปในจิตตัวเองเนี่ยจิตในจิต นะเมื่อกี้นี่อาการที่เขาแสดงออกแม้กระทั่งเล่นโยคะมันเป็นอาการโพดชงนะโพดชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์ไม่ใช่อยู่แค่สติสมาธิเนาะอันนี้ต้องเข้าใจนะมันมันไม่ใช่ทางผลทุกมันเป็นวิชาฝึกสมาธิวิชาฝึกสตินะเรามีสติอยู่แล้วเต็มเปี่ยม นะเข้าไปในเว็บไซต์เราเนี่ยเอาออกมาใช้นะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทุกคนจะเข้าไปในลิ้มรสตรงนั้นแต่ที่ผ่านมาเนื่องจากเราไม่คุ้นเคยเราก็สงวนท่าทีเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะแต่เมื่อกี้นี่ฉายให้ดูแล้วนะของดีอยู่ข้างในนะอยากเห็นไหมอยากเห็นก็ดิ่งเข้าไปเลยนะไม่ต้องออมไม้ออมมือนะไม่ต้องเหนี่ยม <laughs> เข้าไปเลยเพราะมันเบี่ยงแรงที่มันดีดมันเบี่ยงแรงเติมที่เนี่ยมันจะทําบางทีให้เราหงายหลังนะไม่ต้องให้เขาจับกิ้งเหมือนองค์ชายนี่นะ น, น, นะนะมันจะกิ้งไปเองเร็วมากนะเพราะวินาทีที่มันกิ้งเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลว่าเขาจะลมอิสระมากร่างกายไม่ทันหรอกไม่ต้องไปนั่นไปตามเขานะเราเราจะไปดึงเขาไว้เนี่ยเราก็ปล่อยไปตามที่เราทําได้นะ่ะมันจะเร็วมากมันจะดีดตัวเองให้เข้าไปในจิตในจิต ถ้ายังไม่เข้าบางทีนี่มันค้างอยู่เมาอยากจะอาเจียนจงอาเจียนเถอะเรามีกระโถนพร้อมอย่าเหนียมนะอุ้ยมันไม่มันไม่มันเสียบุคลิกภาพมันอายนั่นมันติดอยู่นะนะที่พระกรูบอกอรหันจี้กรเนี่ยท่านดื่มเหล้ามอมให้สมองมันมอมให้ความคิดมันมันดึงเราไม่ได้ไม่มีกำลังนะจิตเกิดยานรู้ขึ้นมานะ เราเหวี่ยงแบบนี้นะจิตมันทำให้เราเมาเห็นไหมเพื่อลดทอนความแข็งแรงของความคิดจิตมันจะแรงกว่าทีนี้มันก็ไปละตอนนี้ที่เราไปไม่ได้เพราะความคิดทำไปด้วยมันก็แอบดูไปด้วย